อยากศึกเลยเพราโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยพวกพวกราคาจริตก็พิณาสุภะษณ์ท่านเล่นตามทฤษฎีเลยปรากฏ ว, ว่าลูกสิทนไม่ไหวจะศึกไปเจอพระพุทธเจ้าซะ ก, ก่อนพระพุทธเจ้าก็ถามเธอบวชอุทิศใครใหมายถึงบวชแล้วจะเป็นสาวก ข, ของใครบวชในพระพุทธศาสนาหรือบวชในสาลีบุตรศาสนาทำนองนั้นบอกบวชในพระพุทธศาสนาอ๋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 คุณพระเจ้าเลือกเอาสุดจะง่ายแล้วแค่นี้เองพระโชหะรนังพระชังธรติฟังทีเดียวจำไปสามชาติเลย <c oughs> ท่านไปนั่งขยี้ผ้าพ้าอื่นๆไปฉันข้าวคนนี้มดไปหมดวัดเลย <c oughs> พี่ชายท่านเป็นคนจัดการน้องชายโง่จะศึกอยู่แล้วอย่าไปกินข้าวชาวบ้านให้ใหฟ้าวัดไปนึกว่าศึกไปแล้วด้วยซ้าไปไปกันหมดวมัด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 ถ้าพวกเราพาวนาจริงๆนะอย่าว่าแต่ยุคนน้นเลยยุคนี้ยังมีเลยนะส่งกระแสจิตสอนกันนะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนี่พระเจ้ายัางอยู่ด้วยซ้ำไปนะถ่ายทอดพลังออกมาสอนธรรมะท่านเป็นพระอราหันต์แล้วมีฤทธิ์เจะด้วยแยกร่างกายได้ได้มโนมยิทธิมีฤทธิ์ด้วยใจนะสามารถแบ่งร่างแบ่งเซลล์ได้ คล้ายๆนินจายวิชาแยกร่านใครๆก็หลังจากนั้นใครๆก็พูดถึงพระจุลปันธกะเขาดูโลดโผนเผินพระมหาปันธกะคนเลยลืมไปเลยเป็นพวกมีปัญญามากมีปัญญามากไม่ฉุดฉาดเท่าพวกมีฤทธิ์มากส่วนเลยจําพวกมีฤทธิ์มากความจริงท่านเก่งสุดจิตกันทั้งคู่ได้เป็นเอตทัคคะทั้งคู่ในคนละด้านกัน กรรมฐานนนะไม่ใช่มีแค่40อย่างนะกรรมฐานที่พระเจ้าสอนมีเยอะแต่ท่านพระรุ่นหลังท่านมาสรุปขึ้นมาก็เป็น40สิบข้อสำหรับสมถกรรมฐานส่วนมีปัสนากรรมฐานก็มีทั้งใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันนะั้นทางเดินมีเยอะแยะเลยไม่ใช่มีทางเดียวนะนี่ถ้า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 งั้นเส้นทางเดินนี้นะหลากหลายแต่ในหลักอันเดียวกันนะงั้นจะว่าเดินทางเดียวกันเอกยายนามัสมีทางสายเดียวก็ถูกนะแต่ทางเดินเนี้ยไม่ซ้ํารอยกันอ้ น, นี้ก็ถูกอีกนะเชิญไปทานข้าวนิมนทรับนิมนทรัชจางนินมนทร